วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29สมิถุนายนพุทธศักราช2568้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมผู้ปรารถนาวิมุติคือการหลุดพ้น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 การฟังเทศฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมณนะสถานที่แห่ง น, นี้ก็จะมีแบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันช่วงสาสิบนาทีแรก <c oughs> ก็จะเป็นการฟังธรรมศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นช่วงที่สองอีกสาสิบนาทีก็เป็นช่วงปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิ ทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขให้เกิดอุเบกขาที่จะได้มีพลังไว้ในการต่อสู้ฆ่าศึกษัตรูคือกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองสำหรับธรรมะในวันนี้ที่จะนำมาฝากท่านก็คือเรื่องของความสุขสองชนิด ในโลกนี้มีความสุขอยู่สองชนิดด้วยกันคือความสุขทางโลกและความสุขทางธรรมความสุขทางโลกนี้เป็นความสุขที่ที่เป็นความสุขปรอมไม่ใช่เป็นความสุขแท่เพราะเป็นความสุขที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะ เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่ไม่มีใครสามารถครอบครองเอาไว้ให้เป็นสมบัติของตนได้ตลอดไปจึงเป็นความสุขปลอมเพราะความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้คือโลกธรรมำทั้งสี่ได้แก่ลาบยศสรรเสริญ และความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพะระล้วนเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเป็นธรรมดาเวลาเจริญก็ให้ความสุขแต่พอเวลาเสื่อมไปหมดไปความสุขที่ได้ก็หายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความเศร้าโศกเสียใจ นี่คือลักษณะของความสุขทางโลกคือเป็นความสุขที่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปความสุขนี้เราเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมสี่คือหนึ่งได้การลาบ าบหมายถึงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเวลาที่เราได้ราบมาเราก็ดีอกดีใจกันได้เงินทองมาไม่ว่าจะได้มาในทางใดก็ตามพราะเรารู้ว่าพอเรามีเงินทองเราก็สามารถเอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขต่างๆที่เราต้องการกันได้แต่สิ่งที่จะตามมาต่อไปก็คือ เงินทองที่ได้มามันก็จะต้องมีวันหมดไปได้ถึงแม้เราจะพยายามหามาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆก็ตามไม่ช้าก็เร็ว ม, มันก็ต้องมีเหตุที่จะทำให้การได้ใช้เงินทองนี้หมดไปได้คือรายได้อาจจะลดลงเช่นช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีเงินทองที่เคยเข้า ม, ามามากก็อาจจะลดน้อยถอยลงไป แลอาจจะหมดไปได้ในวันใดวันหนึ่งหรือถ้าไม่หมดไปความสามารถในการใช้เงินทองของเราก็มีระยะเวลาจำกัดเพราะเรามีร่างกายที่เป็นของไม่เที่ยงเช่นเดียวกันร่างกายของเราก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อ ย, อยแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยระหว่างที่เราอยู่ในสภาพของคนแก่ ในสภาพของคนเจ็บไข้ได้ป่วยการที่จะใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆให้กับเราก็ไม่สามารถทำได้เหมือนตอนที่เรามีร่างกายแข็งแรงแล้วเวลาที่เราตายไปร่างกายตายไปทรัพย์สมบัติต่างๆที่เราหามาได้มันก็ต้องหมดไปเราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ เราให้เราเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านเวลาร่างกายตายไปทรัพย์สมบัติหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่สามารถติดตามไปกับใจผู้ที่ยังไม่ได้ตายผู้ที่ตายคือร่างกายใจนี้เป็นผู้ที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรส เวลาร่างกายหมดสภาพไปใจก็ไม่สามารถที่จะใช้ราบยศเสริญแล้วรูปเสียงกลิ่นรสที่มีอยู่ได้ติดต่อไปอ น, นี่คือความไม่เที่ยงของโลกกะระทำของความสุขทางโลกมีเจริญแล้วก็ลมีการเสือเส่อมเสื่อมลาบเจริญลาบเสื่อมลาบเสือ่อเจริญยศเสื่อมยศ ยศก็คือตำแหน่งต่างๆเช่นถ้าเราเป็นข้าราชการเราก็มียศถ้าเป็นตำรวจเป็นทหารก็มีตั้งแต่ในสิบด้ร้อยในพันในพลขึ้นไปเวลาได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศก็มีความสุขใจดีใจแต่เวลาที่ถูกลดขั้นลดตำแหน่งหรือวันหนึ่งเมื่ออายุครบกรเกษียณเขาก็จะปลดเราออกจาก ตำแหน่งเหล่านั้นไปหมดยศที่เคยหามาได้ก็ก็หมดไปเวลากเกษียณอายุก็จะรู้สึกเศร้าซ้อยหเหงาไม่เหมือนกับตอนที่มียศมีตําแหน่งมีอํานาจเช่นเดียวกับความสรรเสริญเวลาเราได้รับการสรรเสริญเยินยอจากคนนั้นคนนี้จากสถาบันนั้นสถาบันนี้ได้รับรางวัลเกียรติ คุณเกียรติยศอะไรต่างๆหรือได้รับรางวัลทางด้านการการกระทำอะไรต่างๆเช่นทางการกีฬาก็มีเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดง<ม>การแสดงก็มีตุ๊กตาทองรางวัลเหล่านี้ก็คือเรียกว่าเป็นการเป็นการได้รับการสรรเสริญยกย่องว่าเป็นผู้ดีเด่นเป็นผู้ที่เก่งในด้านในดนด้านหนึ่ง เขาจึงสรรเสริญเยืนยอแต่เขาก็ไม่ได้สรรเสริญไปตลอดปีหน้าเขาก็มอบรางวัลให้กับคนอื่นไปก็ได้หรืออาจจะมอบรางวัลให้กับเราอีกก็ได้แต่ไม่ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องไม่มีความสามารถที่จะได้รับการสรรเสริญอีกต่อไปเวลาเราไม่ได้รับการสรรเสริญเราก็จะมีความรู้สึกอเศร้าลงไป เช่นเดียวกับการความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลาตภัณชนิดต่างๆเวลาเราได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที <ieme> ่เราลักเราชอบเราก็มีความสุขแต่พอเวลาที่เราไม่สามารถที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภาณที่เราลักเราชอบได้เราก็จะเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาเกิดอาการรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าวเวขึ้นมา นี่คือลักษณะของความสุขทางโลกที่เป็นความสุขปลอมก็เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนถาวรเป็นความสุขที่จะต้องมีวันเสื่อมลงมีวันหมดลงไปในวันใดวันหนึ่งช้าบ้างเร็วบ้างแต่ในที่สุดก็ต้องไปที่จุดเดียวกันเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นมหาเศรษฐี อ, อันดับหนึ่งของโลกก็ดีเป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐมนตรีเป็นมหากาัสัตย์ก็ดีเป็นไทยก็ดีเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองต่างๆก็ดีเป็นผู้ที่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดภพชนิด ต, ต่างๆได้อย่างมากมายก็ดีแต่พอ เวลาที่นั่งกายเข้าสู่ความแก่ความเจ็บและความตายความสามารถที่จะหาความสุขจากโลกกรรมก็จะสิ้นไปหมดไปคนแก่คนชราจึงมักจะอยู่แบบซึมเศร้ากัน<ม>คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนนอนติดเตียง<ม>นี่เป็นต้นไม่มีใครอยากจะเป็นกันแต่มันก็หนีไม่ได้เพราะนี่คือธรรมชาติของโลกนี้ ของความสุขของทางโลกนี้นี่คือเรื่องของความสุขที่เรียกว่าเป็นความสุขทางโลกเป็นความสุขเราไม่ใช่เป็นความสุขแท้จริงเพราะว่ามันจะเปลี่ยนจากความสุขกลายเป็นความทุกข์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหนีไม่พ้นเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายเมื่อเจอกับความแก่ความเจ็บความตาย ความสามารถที่จะหาความสุขทางโลกก็จะหมดไปแทนที่จะได้ความสุขก็จะกลายเป็นความทุกข์ความซึมเศร้าความเศร้าหมองความว้าเหวนี่คือเรื่องของความสุขที่เรียกว่าเป็นความสุขปลอมความสุขทางโลกส่วนความสุขทางธรรมนี้เรียกว่าเป็นความสุขจริงเพราะเป็นความสุขที่จะอยู่ กับใจไปต่อความสุขทางธรรมนี้ก็มีแบ่งเป็นเป็นสามระดับด้วยกันคือความสุขที่ได้จากการทำบุญทาทานความสุขที่ได้จากการรักษาศีลความสุขที่ได้จากการบำเพ็ญจิตตาภาวนาความสุขเหล่านี้เวลาทำแล้วเกิดความสุขขึ้นมาในขณะที่ได้ทำแล้วความสุขนี้ก็ยังสะสม อยู่กับใจเวลาที่ร่างกายตายไป <c oughs> ความสุขเหล่านี้ก็จะเป็นผู้แสดงผลต่อไปได้อีก <c oughs> คือเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจสามารถเอาความสุขที่ได้จากการทำบุญทาทานที่ได้จากการรักษาศีที่ได้จากการภาวนาไปกับใจด้วยใจก็จะไปสู่สุขติไปสู่ที่เจริญ ไปสูที่ที่สูงสุดของความสุขได้อยู่ที่การสร้างความสุขทางธรรมกันเช่นถ้าเราสร้างเราทำบุญทำทานเวลาเราทำบุญทาทานนี้ใจเราจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจนี่คือผลอันแรกที่เกิดขึ้นจากการทำบุญทำทานแล้วความสุขใจอิ่มใจนี้ก็ยังจะฝังอยู่ในใจของเรา เวลาใดวันใดเวลาเราคิดถึงบุญที่เราได้เคยทำเอาไว้เช่นเราเคยไปสร้างโบสถ์ที่นั่นสร้างเจดีย์ที่นี่สร้างโรงเรียนที่นั่นสร้างโรงพยาบาลบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือให้กับโรงพยาบาลทำคุณทำประโยชน์ต่างๆให้กับสังคมเวลาเราคิดถึงการกระทำเหล่านี้ความสุขที่เราได้รับมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้สัมผัสอีกมันยังไม่หายไปมันยังช มันยังจะมีการแสดงผลต่อไปอีกหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วพอร่างกายเราตายไปความสุขที่เราได้ทําจากการทําบุญทําทานนี้นก็จะทําให้ใจเรานี้ได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆได้ไปอยู่ที่ที่มีแต่ความสุขไปอยู่ในเราเรียกว่าแดนเนลมิตหรือแดนแห่งความฝันก็ได้ที่มีแต่ความสุข าะบุญที่เราทำนี้จะเนรมิตเรื่องราวที่ดีต่างๆเป็นความฝันที่ดีให้เราได้เสพได้สัมผัสเวลาเราตายไปนี้ก็เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเวลาเรานอนหลับร่างกายก็นอนอยู่เฉยไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้แต่ใจเรานี้ยังสามารถหาความสุขจากบุญจากบุสศที่เรา ได้ทำไว้ในขณะที่เราไม่ได้นอนหลับหรือเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่มันก็จะเป็นเรื่องของความฝันดีนั่นเองเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันดีนี้แสดงว่าเป็นผลของบุญที่เราได้สะสมไว้เป็นผู้สร้างความสุขสร้างความฝันที่ดีให้เราได้เสกได้สัมผัสเช่นเดียวกันกับเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ เหมือนกับตอนที่ร่างกายนอนหลับใจก็จะใช้บุญนี้มาผลิตสร้างความสุขต่างๆให้กับใจได้เสกได้สัมผัสไปจนกว่าบุญที่ได้ได้ได้สะสมมานี้หมดกำลังลงเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อละเวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์บุญที่เราได้ทำไว้ก็ยังมีอ น, นิสงส์ต่อเองเช่นเราทำบุญ ทำบุญไว้มากน้อยเท่าไหร่รับสมบัติเงินทองที่เราได้บริจาคไปในชาติก่อนมันก็จะมารอรับเราอีกต่อไปเรามาเกิดก็จะมาเกิดอย่างสุขอย่างสบายเกิดมาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะมั่งมั่งคัง่งพ่อแม่ที่ร่ารวยเป็นต้นหรือถ้าไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ร่ารวยแต่เวลามาทำมาค้าขายก็สามารถหาเงินหาทองมาได้อย่างง่ายดาย ได้อย่างรวดเร็วได้อย่างมากมายอันนี้ก็เป็นอ น, นิสงค์ของของความสุขของการทําบุญทําทานถึงเรียกว่าเป็นความสุขแท้จะพาจิตใจเราทําจิตใจให้เรามีความสุขในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วเวลาที่เราตายไปจิตเราก็ยังจะมีความสุขอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วก็ลากลับมาเกิดใหม่ เราก็จะเกิดมาเกิดแบบร่ mm. ำรวย mm. มีฐานะการเงินการทอาที่ดีเพราะนี้ก็คืออ น, นิสงส์ของการสร้างความสุขทางใจด้วยการทาบุญทําทานนี่ อ, mm. อันนี้คือระดับแรกของการสร้างความสุขทางใจด้วยการทาบุญทําทานระดับที่สองก็คือการรักษาสินคือการละเว้นจากการกระทบาบาปทั้งปวง mm. ถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดปลดไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาต่างๆเราก็จะสามารถรักษาใจของเราไม่ให้ตกไปสู่กองทุกข์แห่งของอบายได้นั่นเองแต่ถ้าเราไมา่ไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ถ้าเราทำบาปอยู่เรื่อยๆบาปที่เราทานี้จะสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมา ถ้าเรารักษาศีลได้ความทุกข์ที่จะเกิดจากการทําบาปก็จะไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งความสุขที่เกิดจากการไม่ต้องไปรับผลของการกระทาบาปคือความทุกข์ต่างๆถ้าเราทําบาสนี้มันจะมีผลต่อดวงวิญญาณของเราต่อไปมันมีผลตั้งแต่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ พอเราทําบาปแล้วใจเราจะไม่สบายขึ้นมาใจเราจะทุกข์จะร้อนขึ้นมาใจจะวิตกกังวลกลัวกับวิบากกรรมที่จะตามมาต่อไปถ้าไปลักทรัพย์ก็กลจะถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจมาตามจับตัวไปลงโทษเป็นต้นถ้าไปทําประพฤติผิดป ร, ประพฤติผิดในการก็กลัวจะมีคนรู้แล้วคนจะมาประจานมาแฉความประพฤติที่ไม่ดี ก็จะ ท, ทำให้เรามีคำอับอายขายหน้าเป็นต้นตเวลาทำบาปแล้วมันจะทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราร้อนในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในเวลาเรานอนหลับบาปนี้แหละจะเป็นตัวที่จะมาสร้างความฝันร้ายให้กับเราเราจะนอนหลับฝันร้ายอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าบาปที่เราทำนี้มันจะเป็นผู้ที่จะมาสร้างเรื่องราวที่ เป็นเรื่องที่ไม่ดีต่างๆให้เราได้เสพได้สัมผัสในเวลาที่เราตายไปร่างกายตายไปบาปก็จะพาให้ <c oughs> ดวงวิญญาณหรือใจของเรนี้ไปเกิดในอบายสีที่ด้วยกันถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นลนี้าันถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเรียกว่าเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัว ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าอสูรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในนรกที่มีแต่ความร้อนของความอาฆาตพยาบาทเผาผลาญจิตใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนกว่าบาปที่ได้ทำไว้หมดกำลังลง เมื่อหมดกำลังลงก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีอาภัพวาสนาด้อยวาสนา mm hmm. ก็จะมาเกิดแบบคนยากจนคนยากคนจน mm hmm. ก็มาเกิดแบบมีความทุกข์ยากลำบากต่างๆ mm hmm. มีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน mm hmm. มีอายุสัน้น mm hmm. มีอาการไม่ครบสามสิบสอง มีรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยไม่งามเป็นต้นอ น, นี่คืออ น, นิสงส์จากการกระทำบาปแต่ถ้าเราไม่ทำบาปเราสามารถรักษาศีลได้เราก็จะไม่ต้องไปรับผลของการกระทำบาปเหล่านี้ถ้าเราตายไปเราก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ได้เลย<ม>ก็เป็นมนุษย์แบบกลางๆเวลามาเกิด<ม>ก็ไม่รวยแต่ก็ไม่จนเพราะไม่ได้ทาบุญ ไม่ได้ทําบาปแต่ถ้าได้ทําบุญแล้วไม่ได้ทําบาปเวลาตายไปก็ไปสวรรค์ก่อนแล้วนะพอกลับจากสวรรค์ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขนั่นเองอันนี้คือความสุขระดับที่สองความสุขของธรรมระดับที่สองคือการรักษาศิ่คือการไม่กระทําบาปแต่าทาให้ใจนี้ไม่ต้องไป เจอกับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการกระทําบาปแล้วความสุขระดับที่สามนี่เราเรียกว่าความสุขที่ได้จากการบําเพ็ญจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นอันนี้จิตใจเราเป็นมนุษย์ถ้าเราอยากจะให้จิตใจเราสูงกว่ามนุษย์สูงกว่าเทวดาถ้าเราทําบุญเราก็จะเป็นเทวดาทำบุญทำทานถ้าเราอยากจะให้เป็น ที่สูงกว่าเทวดาเราก็ต้องบาเพ็ญจิตตะภาวนาจิตตะภาวนาก็คือการทำใจให้สงบเวลาทำใจให้สงบใจก็จะสูงขึ้นจากจากเทพขึ้นไปเป็นพรหมได้รับความสุขของพรหมที่มากกว่าความสุขของเทพการทำจิตใจให้สงบจิตใจก็จะเข้าสู่ฌานท่านต่างๆเข้าสู่รูปฌปานและเข้าสู่รูปฌานตามกาลังของสติ ที่คอยควบคุมใจให้อยู่ในความนิ่งหรือให้ความสงบถ้าได้รูปฌปานจิตใจก็จะเป็นรูปประพมขึ้นมาถ้าได้อารูปฌานจิตใจก็จะเป็นอรูปฌานซึ่งเป็นความสุขที่สูงสุดในบรรดาขั้นของภพชาติที่มีอยู่ในตตยภพคือคือกามาภพรูปภพและอรูปภพ การมาพบก็คือพบของผู้ที่ยังเสกกามอยู่รูปประพบคือของผู้ที่ของผู้ที่เสก ร, รูปประชานเป็นอารมณ์อารูปประพบก็เป็นพบของผู้ที่เสกอารม์อรูปประชานเป็นอารมณ์นี่คือผลคือความสุขที่จะได้จากการบําเพ็ญจิตตภาวนาในขั้นแรกที่เรียกว่าส ม, มถะภาวนาทําจิตใจให้สงบผลก็จะได้รับคือรูปประชานหรืออารูปประชาน อรูปประชา น, นี้มีความสุขมากกว่ารูปประชานีปปานน้มีความสุขมากกว่าสวรรค์ที่ได้เกิดจากการทำบุญทำทาน <c oughs> แล้วถ้าอยากจะขึ้นไปให้สูงกว่านี้อยากได้ความสุขที่ยั่งยืนอ่นนี้เพราะว่าความสุขจากรูปประชานหรือรูปประชานก็ยังเสื่อมได้ยังหมดได้ <c oughs> ใช่เวลาพูดพูดที่เสบรูปประชานพู้ที่ได้รูปประชานเวลาตายไปก็จะไปอยู่ สวรรค์ชั้นรูปประพรมหรือสวรรค์ชั้นอรูปประพรมถ้าได้อรูปประชานล้วหลังจากที่สติที่กำกับใจให้อยู่ในชานนี้เสื่อมลงใจก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างรูปประชานอารูปประชานใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ต่อไปก็ต้องเจริญจิตตภาวนาขั้นที่สองที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนา คือการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับใจให้ได้ถ้ามีปัญญาแล้วปัญญาใจก็จะรู้ว่าเหตุที่บุญต่างๆที่ได้สร้างเอาไว้นี้ยังเสื่อมลงได้นี้เกิดจากกิเลสตัณหาความอยากต่างๆนีเ่เวลามีความอยากนี้มันจะทำให้ความสุขที่ได้จากการทำบุญทาทานก็ดีความสุขที่ได้จากการ เข้าสมาธิเข้าสู่ขั้นรูปฌปานเรือรูปฌานก็ดีนี้มันเสื่อมไปมันหมดไปได้ถ้าอยากจะให้ไม่ให้ความสุขที่ได้สร้างไว้นี้มันหมดไปก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆให้ได้ด้วยการนัมองให้เห็นว่าความอยากนี้ถูกเป็นสิ่งที่มันจะพาเราไปสู่ความทุกข์ เช่นถ้าเราอยากหาความสุขจากทางโลกกระทำอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญเราก็จะต้องไปเจอกับความทุกข์เพราะความสุขของโลกกระทำคือลาบยศสรรเสริญมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราไม่สามารถครอบครองเป็นสมบัติของเราไปได้ตลอดพอ<ะ>เห็นว่าถ้าเราไปมีความอยากจะเสรลาบลาบยศสรรเสริญสุขเราก็จะต้องไปเจอกับความทุกข์ มันก็จะทำให้เราตัดความอยากที่จะไปเสพการไปเสพความสุขทางทางโลกก็ทำได้ถ้าเราถ้าเราเห็นว่าความสุขของถ้าเราอยากจะได้ความสุขจากรูปฌานหรือวรูปฌาน mm. ก็เหมือนกันเพราะรูปฌานหรือวรูปฌานก็เป็นของชั่วคราวเป็นของอนิจจมันมันเจราจิตเราเข้าสมาธิเราก็จะได้รูปฌาน แต่เวลาเราออกจากสมาธิมารูปประชานนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปหรือรูปประชานก็จะค่อยๆจางหายไป <ừ. S 1> ถ้าเราไม่อยากที่จะต้องเข้าฌานอยู่บ่อยๆเพื่อให้ใจมีความสุขเราเพียงแต่กำจัดความอยากที่จะเข้ารู ป, ประชานเนือรู ป, ประชานเท่านั้นเองพอเรากำจัดความอยากได้พะเห็นว่าความอยากจะนำไปสู่ความความเสื่อมของรูปประชานและของรูปประชานนาไปสู่ความทุกข์ เพราะว่ารูปฌปานเลือรูปประชานี้เป็นของชั่วคราวที่เราไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดพอเราทําลายความอยากต่างๆทั้งสามระดับได้หมดความอยากจะเสพรูปกระทำคือลาบยศสารสริญสุขความอยากจะเสพรูปประชาความอยากจะเสพวละรูปประชานได้ใจเราก็จะนิ่งสงบเป็นนิพพานขึ้นมาเป็นใจที่ไม่หิวไม่มีความอยากอีกต่อไป เป็นใจที่เต็มไปด้วยความสุขตลอดเวลาเรียกว่าบรมมสุขนิบานางังปรมังสุขขังอันนี้แหละคือสุดยอดของความสุขทางธรรมที่พระพุทธเจ้าและพาาระอนันตสาวกทั้งหลายท่านได้บำเพ็ญได้เข้าถึงกันแล้วหลังจากนั้นท่านก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายที่ยังหลงยึดติดอยู่กับความสุขต่างๆนี้ให้ปล่อยวางความสุขเหล่านี้ไปให้หมด แล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ให้เราตัดความอยากที่อยากความสุขจากโลกธรรมตัดความอยากที่เราอยากจะหาความสุขจากรูปประชานหรือลูกประชานอันนี้ต้องมีเราต้องมีรูปประชานก่อนเราต้องสามารถเข้ารูปประชานก่อนแล้วเราถึงจะเกิดความอยากที่จะเข้ารูกประชานหรือรูปประชานได้พอเราไปติดรูปประชานไปติดอรูปประชานเราก็ต้องตัดความอยาก เราถึงจะหลุดจากความความติดในรูปประชานรูปประชานรได้เราถึงจะเข้านิพพานได้ต่อไปนี mm hmm. ่คือเรื่องของความสุขทางธรรมท mm hmm. ี่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราเริ่มมาสร้างกันตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งก็คือความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานแล้วตามด้วยความสุขที่ได้จากการนักษาศีลห้าไม่ทำบาต mm hmm. แล้วก็ ตามด้วยความสุขที่เกิดจากการบําเพ็ญจิตตภาวนาขั้นที่หนึ่งก็คือส ม, มะถะภาวนาทําจิตใจให้สงบให้รวมเป็นฌานเมื่อได้ฌานแล้วก็ไปสู่ขั้นที่สองก็คือไปสู่ขั้นวิปัสสนาภาวนาเพื่อพิจารณาให้เห็นว่าความสุขทั้งหลายที่ได้สร้างมาทั้งหมดนี้มันยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในที่สุดก็ต้องละความอยากต่างๆเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากใจ พอละหมดแล้วใจก็จะสงบอย่างยั่งยืนถาวรใจก็จะมีความสุขอย่างยั่งยืนถาวรต่อไปนี่คือเรื่องของความสุขทางธรรมที่เป็นความสุขแท้เพราะจะไม่มีความสุขตามมาไม่เหมือนกับความสุขทางโลกที่เป็นความสุขปลอมเพราะจะเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาที่มันเสือ่อมเมื่อเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะเสเส็ได้อีกต่อไป นี่ก็คือเรื่องธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้คือความสุขสองชนิดที่มีอยู่ในโลกนี้ก็พอดีสมควรกพอดีกับเวลาที่เราได้กำหนดไว้คือการฟังธรรมสามสิบนาทีก็ได้สิ้นสุดลงแล้วต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันมาเจริญสมถะภาวนากันมาเจริญความสุขขั้นที่หนึ่งกันส่วน ความสุขขั้นทานขั้นศีลนี้เราก็ได้ทำกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเราก็ทำบูญทำทานใต่บาดอยู่เป็นประจำแล้วเราก็รักษาศีลห้ากันเป็นประจำอยู่แล้วแต่สิ่งที่เรายังไม่ค่อยได้ทำกันก็คือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาก่อนที่เราจะไปสู่วิปัสสนาภาวนาได้เราต้องผ่านสมถะภาวนาไปก่อนเราต้องมาสร้างจิตใจให้สงบให้นิ่งก่อน เมื่อมีจิตใจที่สงบนิ่งแล้วเราก็จะสามารถที่จะไปเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อกําจัดความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจต่อไป <c oughs> ดังนั้นตอนนี้เราจะมาเจริญสมถะภาวนาคือการมานั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบการที่จะทําใจให้นิ่งให้สงบได้นี้เราต้องมีสติกํากับใจให้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะผูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ อรรมทานนี้ก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันในตำราก็สแสดงไว้ถึงสี่สิบชนิดแต่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนี้ก็จะมักจะใช้สองสามชนิดด้วยกันคือเช่นชนิดที่หนึ่งเรียกว่าพุทธานุสติคือการนำลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมคำว่าพุทธโธพุทธโธไปถ้าเราใช้พุทธานุสติเวลานั่งสมาธิเราก็ บาลีคำหรือหรือเลือกถึงคําว่าพุทโธพุทโธท่องท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจอย่านั่งเฉยเฉยถ้านั่งใจเฉยแล้วเดี๋ยวใจจะลอยไปกับความคิดถ้าลอยกับความคิดแล้วใจจะไม่นิ่งใจจะวุ่นวายขึ้นมาใจจะดิ้นแต่ถ้าเราผูกใจไว้กับพุทโธพุทโธพุทโธได้ใจก็จะค่อยคสงบลงไปแล้วในที่สุดมันก็จะสงบนิ่งได้อย่างอย่างเต็มที่ พอมันนิ่งแล้วเราก็ไม่ต้องควบคุมบังครับเพราะตอนนั้นใจจะไม่ดิ้นใจจะไม่ไปทำอะไรต่อไป mm hmm. ถ้าเราใช้พุโทโธเราก็บริกรรมพุโทโธไปถ้าเราใช้การกรรมฐานอีกอย่างที่เรียกว่าลมหายใจเข้าออกคืออาณาปณะสติมีสติรู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจเราก็เฝ้าดูลมอยู่ที่ปลายจมูกเป็นจุดที่ลมเข้าออกที่เราสามารถสัมผัสรับรู้ได้ ก็ดูตรงจุดนั้นลมเข้าก็รู้ว่าลมเข้าลมออกก็รู้ว่าลมออกไม่ต้องไปวังคับลมไม่ต้องไปควบคุมลมเพียงแต่เฝ้าดูลมอาศัยลมเป็นเครื่องผูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าหายไป ถ้ารู้ว่าหายไปเดี๋ยวใจก็นิ่งสงบ ท, ทันทีไม่ต้องตื่นเต้นตกใจถ้าไม่สามารถเห็นลมรับรู้ลมได้ก็ยังรับรู้อยู่ที่จุดเดิมที่ปลายจมูกต่อไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบต่อไปได้ถ้าดูลมยังไม่ได้ถ้าพุโทโธยังไม่ได้จะใช้การสวดนมนต์ไปก่อนก็ได้เรียกว่าจการเจริญธรรมานุสติโดยเราเริ่มถึงว่าทำคาสอนของพระพุทธเจ้า เช่นสวดบทแผ่เมตตาก็ได้สวดบทอิติปิโสก็ได้หรือสวดบทพระสวดใดพระสวดหนึ่งที่เราทีท่เราจดจําได้ก็สามารถทําได้ถ้าใจเรามีการสวดกับบทสวดบนเหล่านี้แล้วใจเราก็จะไม่ลอยไปกับความคิดแล้วเดี๋ยวใจเราก็จะรู้สึกเย็นจะสบายจะนิ่งพอเนิ่องเราก็หยุดสวดแล้วหันมาดูลมหายใจต่อก็ได้ถ้าเรามีวิธีอื่นที่เราทําแล้วทําให้ใจของเราสงบ มีกรรมฐานชนิดอื่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องใช้กรรมฐานที่แสดงไว้ในตอนนี้ mm. เพราะว่าวิธีทําใจให้สงบนี้มันมีหลากหลายวิธีด้วยกันั น, นถ้าเราพบวิธีไหนที่ทใาใจของเราให้สงบได้ mm. ก็ใช้วิธีนั้นไปและเวลาที่เรานั่งนี้อย่าไปสนใจเวลามีอะไรเข้ามาให้เราสัมผัสรับรู้เ mm. ช่นมีเสียงมีแสงมี รูปมีอะไรมีภาพอะไรปรากฏขึ้นมาในใจก็อย่าไปตามรู้ให้ดึงใจกลับมาอยู่ที่กรรมาฐานทันทีให้ผูกใจไว้กับกรรมาฐานอย่างเดียวถ้าอยากให้ใจนิ่งให้ใจสงบถ้าไปตามรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มาปรากฏแล้วไปคิดไปปรุงไปแต่งใจก็จะไม่นิ่งใจก็จะไม่สงบนั่งไปแล้วก็จะไม่ได้สมาธินี่คือหลักของการนั่งแบบง่ายๆที่ มาแสดงให้ท่านเข้าใจแล้วเพื่อที่ท่านจะได้ปฏิบัติให้เกิดผลตามมาต่อไปแลาะต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลาเวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะลุกก่อนที่จะเลิกนั่งขอให้สังเกตดูว่าวันนี้เรานั่งแล้วสงบดีหรือไม่อย่างไร ถ้าสงบดีขอให้สังเกตดูวิธีการนั่งของเราเพื่อที่เราจะได้ใช้วิธีนี้เวลาที่เราไปนั่งครั้งต่อไปอย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบมันจะไม่สงบด้วยความอยากมันจะสงบด้วยวิธีที่เรานั่งอย่างวันนี้ถ้าเรายังไม่สงบก็แสดงว่าสติเราอย่างน้อยอยู่ก็พยายามจเจริญสติระหว่างวันให้มากขึ้นพยายามจเจริญบ่อยๆก่ อ, อนที่เราจะมานั่งสมาธิ เพื่อที่เราจะได้มีสมามีสติได้มากเมื่อมีสติมากแล้วเวลานั่งก็จะสงบได้ง่ายแล้วต่อไปนี้จะขออนุมมทนาให้พรยะท้าวารวาหาปุราปริปุเรนติสาขหลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตามปะิตามตุมหังคิปเมวะสมิชจตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิจโตริระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมัตตภวตวันตารโยสุขีติขายุโกภวา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 เพราะถ้าเราเลิกแล้วจะไม่สะดวกและจะไม่ได้คำตอบต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไห ร, ร, ร, ร่ค่ะเพียนพระอาจารย์ค่ะมีวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุตติจากทางเฟ e บ o o กพระอาจารย์สุชาติสา9ร้อยสี่สิบ้าท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์303 y o u t u b e ดอกตรวีิวิทยุออนไลน์10คลับเฮาส์3นาุติหน5ร้อกิบหเรทั้งหมด9 1 2ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนากุติค่ะ เจ้าของกิจการแห่งหนึ่งพาไปเลี้ยงอาหารวิเชรินสตาร์หัวละหนึ่งหมื่นบาทแล้วถามว่าเงินสำคัญไหมเราตอบว่าไม่ทั้งหมดเจ้าของย้าว่าโค้ดสำคัญโดยยกตัวอย่างคำถามว่าศีลข้อข้อห้ามฆ่าสัตว์ถ้าให้เงินหนึ่งล้านฆ่าคนทำไหมทุกคนเงียบถ้าให้พันล้านทำไหมคนในโต๊ะตอบว่าถ้าพันล้านก็ไม่แน่ เราฟังแล้วก็ตกใจมิเห็นด้วยให้เท่าไหร่ก็ไม่ควรฆ่าคนแต่เงียบไม่ตอบอะไรเจ้าของภูมิใจที่ได้รับคำตอบถามว่าตอบไปคัดค้านแล้วเราจะลำบากเดือดร้อนจึงเงียบทำถูกต้องไหมคะไม่พูดได้ก็ดีที่สุดคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k พระอาจารย์สุชาติค่ะ กลับเรียนพระอาจารย์ผมเป็นใบโพล่าพอนั่งสมาธิแล้วจิตจะนิ่งแต่พอออกจากสมาธิสักพักอารมณ์จะแหวงต้องทำวิปัสสนาอย่างไรถึงจะช่วยได้ครับต้องใช้สติก่อนออกจากสมาธิมาก็ยังต้องเจริญสติต่อพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วจิตก็จะนิ่งจะไม่แกวงวิปัสสนานี้ยยังไม่ใช่เวลาเพราะว่าจิตของเรายังไม่ ไม่นิ่งพอเวลาออกจากสมาธิมาต้องเจริญส ต, ติต่อให้มันนิ่งมากๆก่อนคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะถ้าเรามีเพื่อนที่มีภรรยาแล้วเราก็มีแฟนแล้วเรากับเขาเดินชอบกันไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ไม่เคยมีอะไรกันและไม่ทำอะไรเกินเลยจะผิดศีลข้อสามไหมเจ้าคะยังไม่ผิดหรอกแต่ก็ไม่ควรเพราะว่ามันเป็นการ อยู่ใกล้กันงานจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจจะหัก้ามจิตใจต่อไปไม่ได้เงั้นทางที่ดีก็ไม่ควรที่จะไปไหนด้วยกันสองต่อสองคำถามจากทางเฟซบุ o กค่ะข้อแรกครูบาอาจารย์บางท่านบอกให้ดูเกิดดับนั้นเหมือนกันหรือไม่กับการดูเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วหายไปครับ การดูการเกิดดํบนี้ให้ดูร่างกายก่อนเพราะร่างกายเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายเป็นธรรมดาแล้วทาใจให้ยอมรับความตายให้ได้ก่อนแล้วก็ไปดูเวทนาดูเวลาที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บและเกิดความทุกข์ความเจ็บปวดทางร่างกายก็พิจารณาให้ปล่อยวางให้ได้ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายเป็นต้น ข้อที่สองเวลาเวทนามาผมมักเอาจิตไปตรงเวทนาแล้วค่อยกลับมาภาวนาต่อแล้วก็กลับไปดูเวทนาอีกเพราะยังไม่หายไปแบบนี้ผิดหรือไม่ครับไม่ถูกเราเราไม่ต้องการที่จะไปกําจัดเวทนาเพราะเรากําจั ด, ม, ดมั น, น, น, น, ม น, มนม ไ, ไม่ได้มันเป็นนัตาละมันนิจจังทุกขังอนัตตามันมาเองไปเองเมลา้มันอยู่เราก็ให้มันไปไม่ได้ หน้าที่อของเราก็คือทำใจให้อยู่กับมันให้ได้ด้วยการใช้อุเบกขาวางเฉยให้ใจไม่เฉยก็ใช้สติทำทำใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอใจมีสติมากพอใจก็จะนิ่งจะเฉยจะเป็นอุเบกขาได้เราจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ในบทสวดธรรมจากแปลที่ว่าเมื่อใดปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติ3มีอาการส2องมีความหมายอย่างไรครับอันนี้ต้องไปถามคนอื่นนเราไม่รู้เหมือนกันตอบไม่ได้คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะหนูเคยผ่าตัดสมองก่อนเข้าห้องผ่าตัดตั้งจิต เตรียมใจปล่อยวางทุกอย่างก่อนผ่าตัดมานานแล้วว่าสามารถตายได้ขณะผ่าซึ่งพระอาจารย์บอกว่าถ้าใจเราสบายก็ไม่เป็นไรเมื่อเข้าห้องผ่าตัดมีความรู้สึกว่างเปล่าสงบไม่มีความฝันแต่รู้สึกมีความสุขมากที่สุดในชีวิตจะรู้ได้อ ย, อย่างไรว่าสิ่งนี้เกิดจากการตั้งจิตหรือเกิดจากฤทธิ์ของยาสลบระหว่างผ่าเจ้าคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันเวลาเวลาสงบนี่มันก็เหมือนนอนหลับไปเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องของของของบุญของบาปที่เราได้สะสมไว้เป็นส่งผลในขณะที่เรานอนหลับไป okay. หนูนั่งสมาธิยังไม่ค่อยได้สงบเจ้าค่ะแล้วก็ยังมีความคิดอยู่ที่นี้มันก็ปวดแล้วหนูก็รู้ตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจเจ้าค่ะ แต่ว่าพยายามพยายามไม่สนใจแต่มันก็สนใจเจ้าค่ะแล้วมันก็ปวดแล้วอยู่ๆมันก็รู้สึกว่าก็ดูมันไปดูมันไปยอมเอ่อยอมเข้าใจมันไปเจ้าค่ะแต่มันก็ยังปวดอยู่เจ้าค่ะหนูก็ได้แต่ดูมันไปดูมันไปเฉยๆเราไม่ได้ไปดูเพื่อให้ความปวดหายไปเราดูเพื่อให้ใจเรานิ่งให้เราอยู่กับความปวดให้ได้ไม่ต่อต้านความปวด ไม่กลัวความปวดไม่มีความอยากให้ความปวดหายไปเจ้าค่ะทีนี้หนูก็เลยยอมรับว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วก็ก็ยังไม่หายปวดเจ้าค่ะก็แสดงว่าสติไม่พอโอเบขาไม่พอก็ต้องพุโทโธพุโทโธต่อไปน้องกาพอาจารย์เจ้าค่ะอ่ามีคนถามต่อข้างหลังขอกาศครับอ่าเมื่อกี้นั่งภาวนาตอนแรกผมใช้พุโทโธแล้วมันไม่สงบครับทีนี้ พอขาเป็นเน็บจิตมันไปจับกับอาการเน็บอะครับแล้วทีนี้เหมือนอาการเน็บเนี่ยมันดึงจิตให้มันมารวมอยู่ที่เดียวได้ครับหลวงพอ่อถ้าใช้ได้ก็ดีได้ก็ดแล้วทีนี้อจิตที่มันโฟกัสกับอาการเน็บมันก็ยังคุโรนทุลายอยู่ะครับแต่ว่ามันก็มีอีกตัวหนึ่งคอยเข้าไปรับรู้อาการที่มันคุโรนทุลายเราจิตโดยรวมก็สบายขึ้นครับมันยังไม่นิ่งพอ ต้องพยายามให้มันมนึ็มากกว่านี้ก็ใช้วิธีนี้เกาะไปก็ได้ใช่วิธีนี้ใช้กกพูดโทร็วคู่ไปด้วยก็ได้ครับผมคำถามจากทาง u ู u ูปพระอาจารย์สุชาติค่ะอยากเลิกแอลกอฮอล์ต้องทำและคิดยังไงคะไปบวช เ, เข้าพรญษานี่ไ่บวชใั่พันษาวนี่ยคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะ พระอาจารย์เจ้าคะถ้าลูกเคยปรามาสครูบาอาจารย์ในใจด้วยความไม่รู้แต่ตอนนี้รู้สึกผิดเจ้าคะผลจากการที่ไปปรามาท่านจะมีผลต่อการพัฒนาในการปฏิบัติไหมเจ้าคะไม่มีหรอกถ้าเรารู้ผิดแล้วเราก็เปลี่ยนใจจากการปรามาส เ, เป็นการเป็นการเคารลบเชื่อฟังท่านก็ถือว่าปัญหาก็หมดไปถ้าเรายังมีความปรามาอยู่มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ ถ้ามันไม่มีแล้วก็หมดปัญหาไปคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะขอท่านพระอาจารย์ช่วยอธิบายท่านขั้นโลกิยะและโลกุตระอีกครั้งครับเพื่อเป็นความเข้าใจในการปฏิบัติความเพียรครับโือขั้นโลกิยะนี้ยังเสร็จอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในใจพบอยู่เช่น ทำบุญทำทานก็ไปเกิดในสวรรค์แล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกลาลมาภพอยู่ถ้าได้รูปประชานรือรูปประชานมันก็จะไปเกิดในรูปภพเลือรูปภพแล้วมันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวียนว่ายตายเกิดต่อไปอแต่ถ้าได้เป็นพระริยะบุคคลตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปมันก็จะตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอรหันต การเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดสิ้นไปท่านพาริยาบุคคลเราเรียกว่าขั้นโลกุตระทัานที่จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจากทางเฟ e บุ o k ค่ะมีลูกศิษย์อยากกลับเรียนพระอาจารย์ให้ทราบว่าตนเองมีไข้แล้วก็ จากธรรมะที่ท่านพระอาจารย์เคยสอนว่าให้ฝืนความอยากตอนแรกว่าจะนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่เดินจงกรมแต่ก็ฝืนเดินจงกรมไปก็ทําให้จิตใจมีพลงังแล้วก็มีความร่มเย็นร่มเย็นสบายเมื่อทําตามที่ท่านพระอาจารย์บอกให้ฝืนความอยากค่ะได้อย่าไปทําตามความอยากใช้สติใช้ปัญญาสู้กับมันไปแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำำําลังแล้วความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไป ใจก็จะสงบเย็นสบายคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเขาถามขอสรุปสั้นๆนะคะเขาถามว่าเมื่อวานเย็น เมื่อวาเย็นมีพระท่านาเทศสอนว่าคนภาวนาไม่ควรเลือกอาหารบอกว่าทำให้เวลาเดินทางไปไหนการกินลำบากแต่ตัวท่านนั้นก็เลือกฉันเฉพาะอาหารที่ลูกศิษย์ใกล้ชิดสองคนทำถวายค่ะก็เมนเรื่องของท่านน่ะไม่ยุ่งกับกท่านทำไมลนะ่ะอันก็เป็นแบบแม่ปูสอนลูกปูไงแม่ปูบอกให้เดินตรงๆ แต่ตัามา่ก็เดินเฉยไปเฉยมาลูกปูมันไม่ได้มันไม่ได้ทำตามที่พูดหรอกมันทำตามที่เห็นทำตามที่กระทำอีะนั้นท่านพูดอะไรมันก็เป็นการสอนผู้แต่ท่านก็ต้องดูว่าท่านสอนแล้วท่านทำตามที่ท่านสอนหรือเปล่าถ้าอยากจะให้คำสอนของท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านต้องพูดอย่างที่ท่านทาทำอย่างที่ท่านพูด <S <S 1> <S 1> อ่าจะทัต่อ ขอโอกาสครับคือสมัยก่อนผมใช้วิธีกำหนดรู้กำหนดดูจิตเอาครับอะไรเกิดขึ้นก็รู้พอเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันเริ่มเห็นเหมือนร่างกายเป็นหุ่นยนต์ครับแต่ทีนี้พอผ่านไปความเพียรลดลงมีงานที่ต้องทำมีสิ่งที่ต้องเรียนก็เลยไม่ค่อยได้ภาวนาครับแล้วทีนี้ไอความรู้สึกที่ว่ารู้สึกว่าร่างกายเป็นแค่หุ่นยนต์เนี่ย มันได้หายไปครับเริ่มรู้กลับมารู้สึกว่าร่างกายเป็นเราอีกครั้งก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เคยทํามาเนี่ยมันผิดหรือมันถูกปัจจุบันนี้ก็เลยใช้แค่วิธีการดูกายกับการทําสมาธิเข้าสงบแล้วก็ออกมาดูร่างกายเป็นท่าศรีครับคือการดูร่างกายให้เป็นหุ่นยนต์ก็ดีเป็นท่าศรีก็ดีให้ใจปล่อยวางร่างกายไม่ให้ทุกข์ไม่ให้กังวลกับร่างกาย แต่ถ้ายังทุกยังกังวลอยู่ก็ดูไปก็ไร้ประโยชน์เห็นต้องไปพิสูจน์ดูว่าเราเห็นร่างกายเป็นหุ่นยนต์จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ตัวเราจริงๆหรือเปล่าเช่นไปอยู่ในป่าคนเดียวแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายมันเป็นหุ่นยนต์หมาจะกัดไมอาอะไรสัตว์อะไรจะกัดก็ปล่อยมันกัดไปดูอันนั้นถึงจะเห็นจริงเห็นว่าเป็นหุ่นยนต์จริงแต่ได้เห็นแบบนี้เห็นแบบคิดนี้ไม่ใช่เห็นความจริงอ่ะยังเป็นความคิดอยู่ หายไหมครับแล้วมีเกณฑ์หรือว่ามีจุดไหนที่สามารถใช้วัดว่าการปฏิบัติอันนี้คือถูกหรือผิดหรือคือเรากําลังเดินผิดทางยังไงบ้างไหมครับใจไม่ใจไม่เดือดร้อนกับอะไรใครด่าก็ไม่เดือดร้อนใครชมก็ไม่ได้ดีใจใครขโมยเงินไปก็ไม่เสียใจใครเอามีอะไปก็ไม่เดือดร้อนคือให้ใจเราไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งหมดคือเป้าหมายของการปฏิบัติ พอใจไหมครับดูบตัวนี้อย่าไปดูว่าเป็นนู่นเป็นนี่ดูจิตอย่างนู่นอย่างนี้ดูจิตอย่างนี้แต่ใจวุ่ น, นวายมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอ่โ <Okay. S 2> อเคขานันครับนอนได้ยังามมายังไม่มีคําถามใหม่ไม่มีการเท่านี้ก่อนคนระับฝนท่าอากาศไม่ค่อยดีก็ขอให้ท่านจง n g นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจพิจารณาไปปฏิบัติ